่ในหน้า65้านะยังกล่าวถึงเรื่องของปาติโมขสังวรศีลซึ่งว่าภิกษุในพระาศาสนานี้สํารวมแล้วด้วยความสํารวมในพระปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร น, นี้ก็กล่าวถึงคําว่าอาจาระกับอนาจาระโคจรกับอาโคจรโคจรกับอาโคจรทีนี้เราก็กล่าวถึงเรื่องของ อาจาระอนาจาระมาอย่างดีแล้วทีนี้ก็มากล่าวถึงโคจาระเลยนะในหน้า65สกล่าวถึงว่าส่วนโคจาระนี่มีสมอย่างสม อ, อย่างนั้นก็คืออุปนิสยะโคจร 1, าระหนึ่งอารักขาโคจาระหนึ่งอุปนิพันธะโคจระหนึ่ง คำว่าอุปนิสยาโคจรเนี่ยนะอุปนิสยะโคจรนั้นก็คือโคจร อ, อันเป็นที่เข้าไปอาศัยอยู่แห่งคุณทั้งหลายโคจรที่เข้าไปอาศัยคุณมีศีลเป็นต้นอย่างนี้ชื่อว่าอุปนิสยะก็คือเที่ยวไปเอาอุปนิสัยเข้ามานะอุปนิสัยบวกโคจร่ะไปขอเอาอุปนิสัยจากสิ่งที่เราเกี่ยวข้องมาส่วนอารักขาโคจร ก็คือโครจรเป็นเครื่องรักษาอันนี้กล่าวคือสติชื่อว่าอารักขาโครจรส่วนอุปนิพันธ์ทโครจรก็คือโครจรที่เป็นเครื่องเข้าไปผูกจิตไว้กล่าวคือกรรมฐานานะซึ่งจะอธิบายโครจรทั้งสมโดยลำดับต่อไปถามว่าในโครจรสาอย่างนั้นอุปนิสยะโครจรเป็นไนะนะที่บอกว่าโครจร อันเป็นที่เข้าไปอาศัยอยู่แห่งคุณทั้งหลายเนี่ยมีศีลเป็นต้นเนี่ยชื่อว่าอุปนิสยโคจรเนี่ยเป็นอย่างไรตอบว่าได้แก่กัลยาณมิตรกัลยาณมิตรผู้ประกอบด้วยคุณคือกระทาวัตถุสิบอันนะเขาเรียกว่าผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกัลยาณมิตรคุณสมบัติในตัวของกัลยาณมิตรนั้นท่านมีกระาวัตถุ10ประการอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ที่ภิกษุอาศัยแล้วย่อมได้ฟังธรรมที่ยังไม่ได้ฟัง น, นะเพราะท่านมีกร ะ, ะถาวัตถุสิบนะกระทาวัตถุสิบนั้นคือหนึ่งมักน้อยกระถาว่าด้วยการมักน้อยสองกระถาว่าด้วยการสันโดษสามคาถาว่าด้วยการไม่คลุกคลีสี่ วิเวกกถากรถาว่าด้วยวิเวกแล้วก็ห้าวิริยารำภาคกรถากรถาเพื่อปรารบความเพียรหกสีลกถาเจ็ดสมาธิกรถาแปดัญญากรถาเก้าวิมุตติกรถาสิบวิมุตติยานทัศนกรถา <c oughs> ในกระถาวัตถุทั้ง1ิบอย่างเนี่ยท่านมีพร้อมเลยเาว้างันเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับท่าน ก็จะได้ฟังธรรมะที่ยังไม่ได้ฟังแล้วก็ชำระธรรมะที่ฟังแล้วให้หมดจดฟังเรื่องไหนที่เคยติดใจสงสัยก็ทาให้จาได้ทำให้เข้าใจทำให้ข้ามความสงสัยได้ทำความเห็นให้ตรงทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดทำจิตให้เลื่อมใสได้เคยไ้ยเข้าไปหาใครแล้วจิตเลื่อมใสได้นะอีกอย่างหนึ่ง คอยสำเนียกตามกัลยาณมิตรผู้ใดยอยู่ย่อมเจริญด้วยศรัทธาไปเกี่ยวข้องกับท่านแล้วได้ศรัทธาย่อมเจริญด้วยศีลย่อมเจริญด้วย ส, ยวยสตะย่อมเจริญด้วยจากข่าย่อมเจริญด้วยปัญญากัลยาณมิตรนี้เรียกว่าอุปนิสยโคจรอุปนิสัยโคจรเี่าว่าโคจรอันเป็นที่เข้าไปอาศัยอยู่แห่งคนทั้งหลายมีศีลเป็นต้นชื่อว่าอุปนิสยโคจร แห่งคุณทั้งหลายนะไปเกี่ยวข้องกับท่านแล้วเราได้คุณนะ่ะเพราะฉะนั้นกาลยานามิตรเนี่ยนะตามในคำพีต่างๆเช่นในคำพีอุทานคำพีอุทานเนี่ยที่พระพู้มีพระภาทรงตรัดไว้ว่ากาลยานามิตรนี้มีความสำคัญมาก ในคำพีอื่นๆกล่าวถึงว่ากาลยานามิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เลยทีเดียวเนี่ยนะเป็นทั้งหมดของอริยมรรคเลยนะถ้าได้กาลยานามิตร ด, ดีนี่แสดงว่าอริยมรรคไม่ยากนักว่างั้นเพราะฉะนั้นธรรมะคือกาลยานามิตรทั้งห้าอย่างในในเรื่องว่าผู้ที่มีกาลยานามิตรดีเนี่ยนะผู้ที่มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังคุณข้อนี้คือตัวเองนี่จะเป็นผู้มีศีล นะจักบริบูรณ์ด้วยจตุปาริสูที่ศีลถ้ามีมิตร ด, ดีสหายดีมีเพื่อนดีตัวเองจะได้ฟังกระวัตถุทั้งสิบประการถ้ามีมิตร ด, ดีสหายดีมีเพื่อนดีตัวก็จะเป็นคนที่ปรารบความเพี้ยนถ้ามีเพื่อนดีมีสหายดีตัวเองก็จะมีปัญญาแล้วก็ท่านก็อธิบายลักษณะของกาลยานมิตรว่างั้นเถอะนะ เอาวันนี้ก็ฟังคำว่ากัลยาณมิตรถ้ารู้จักกัลยาณมิตรว่ามีคุณสมบัติอย่างไรต่อไปเราก็จะไปพึ่งพาอาศัยท่านได้แสดงว่ากัลยาณมิตรก็ต่างจากอะไรถ้ากัลยาณะเนี่ยแปลว่ามิตรดีใช่ไหมแสดงว่าถ้าพูดขาวแล้วดำเป็นยังไงเราก็จะได้แยกออกว่าอาะไรใครเป็นป่าประมิตรใครเป็นป่าประมิตรก็คือมิตรที่ไม่ดี กัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีงั้นถ้าหากว่าเรารู้ว่าลักษณะของกัลยาณมิตรแล้วนะคนที่ต่างจากนั้นแหละเรียกว่าป่าประมิตรเขาบอกว่ากัลยาณมิตรในพระศาสนานี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาอันดับแรกนะคุณสมบัติของเขาเนี่ยเขาเป็นคนมีศรัทธาหนึ่งสองเป็นคนมีศีลสเป็นคนมีสุตตะสี่ เขานี่เป็นคนมีจาคะห้ า, หาเขาเป็นคนที่มีวิริยะหกเขามีสติเจ็ดมีสมาธิและแปดมีปัญญาทวนอีกครั้งหนึ่งศรัทธาศีลสุตตะจาคะะวิริยะสติสมาธิและปัญญาในตัวของท่านมีสิ่งเหล่านี้บริบูรณ์ อธิบายว่าบุคคลมีศรัทธาสมบัติเนี่ยนะถามว่าที่ว่าเขาถึงพร้อมด้วยศรัทธาเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือเขาเป็นผู้ที่มีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตคือเขามีตถาคตโพธิศรัทธานะเขามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้เป็นพระอรหันตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเป็นต้นอย่างเงี้ยและเขามีกรรมมสกตาศรัทธาเขามีความเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรม ไม่ละทิ้งการสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลในเหล่าสักอันเป็นเหตุแห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณด้วยการเชื่อนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเขามีศรัทธาคือมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าและมีศรัทธาในเรื่องกรรมแล้วก็มีใจอนุเคราะห์าส์ทั้งหลายต่อไปเขาถึงพร้อมด้วยศีลอันนี้ถึงพร้อมด้วยศีล น, นี่เรารู้แล้วใช่ไหมว่าศีลคืออะไรใช่ไหมอะไรคือศีลเขามีเจตนาศีลมีเจตสิกศีลมีสังวรศีลมีอวีติกมะศีลน่ะ ย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพเป็นที่สารเสริญเนี่ยแล้วเขาเนี่ยเป็นผู้โจดผู้ท้วงเป็นผู้ติเตียนบาปเป็นผู้ว่ากล่าวอดทนต่อถ้อยคําของเพื่อนสัพพรมารีทั้งหลายเนี่ยนะเขารู้จักแนะนําในขณะเดียวกันคนอื่นแนะนําเขาก็แนะนําได้นี่ลักษณะคุณสมบัติของคนมีศีลก็สามว่าท่านมีสุตตะ นะถึงพร้อมด้วยสุตะก็คือทําถ้อยคําอันลึกซึ้งเกี่ยวกับสัจจะปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นคือได้ยินได้ฟังเรียนมามากสามารถจําแนกแจกแจงว่าอริยสัจเป็นอย่างไรขยายอริยสัจให้รู้ให้เข้าใจยอย่างละเอียดละออสามารถอธิบายเรื่องของปฏิจจสมุปบาทให้ฟังเป็นอย่างดีแล้วอย่างปฏิจจสมุปบาทลงอริยสัจได้คุณสมบัติเหล่านั้นแหละเรียกว่าเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยสุตะ แล้วก็มีจ่า่าสมบัติจ่า่าก็คือเป็นคนมักน้อยเป็นคนสัมโดดชอบสงัดไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะเนี่ยนะยินดีในการหลีเกเล่นแล้วก็ต่อไปมีวิริยะคือย่อมเป็นผู้มีความริเริ่มความเพียรเพียรเพื่อละบาปเพียรเพื่อเจริญบุญเนี่ยนะปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายอันนี้ความเพียรเขามีความเพียรแบบนั้น ต่อไปเขามีสติคือมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนไม่หลงลืมถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดไม้นานได้เมืองนั้นต่อไปก็มีปัญญามีสมาธิมีสมาธิคือเป็นผู้มีจิตไม่ฟุ้งซ่านมีจิตเป็นสมาธิเห็นไหมก็จิตเขาเป็นไปกับสมถะเป็นต้นนั่นเองเป็นคนมีปัญญาก็คือย่อมรู้สภาวะธรรมที่ไม่ผิดแพกเหนะ บุคคลนั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคติแห่งธรรมอันเป็นกุศลด้วยสติย่อมรู้สิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์แห่งสัตว์ทั้งหลายตามเป็นจริงด้วยปัญญาเป็นผู้มีจิตแน่วแน่ในกุศลธรรมเหล่านั้นด้วยสมาธิย่อมเกียจการสัตว์ทั้งหลายจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วชักนําเข้าไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยวิริยะเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าบุคคลเป็นที่รักที่เคารพยกย่องเป็นผู้ว่ากล่าว ผู้อดทนถ้อยคําผู้กระทําถ้อยคําอันลึกซึ้งและไม่ชักนำในฐานะที่ไม่ควรสำคัญมากก็คือถ้ากาลยานามิตรนะเขาจะไม่ชักนำในฐานะที่ไม่ควรให้ล่วงบาปล่วงกรรมเป็นต้นอย่างนี้เขาจะไม่ชักชวนอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีองคุณทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะจะทาให้เราเนี่ยจเจริญด้วยศรัทธาเมื่อเกี่ยวข้องแล้วนะ กรรมสศกตาศรัทธาเราดีขึ้นแต่ทาคตโพที่ศรัทธาเรามากขึ้นอันนี้แสดงว่าคนนั้นเขาเป็นกลาลยานามิตรอันนี้เป็นองค์คุณที่หนึ่งข้อต่อไปเราเจริญด้วยศีลมากขึ้นเนี่ยนะบุคคลนั้นเป็นกลาลยาณมิตรแต่ก็ต้องรู้ว่าศีลคืออะไรก่อนนะรู้คือศีลแล้วบอกไม่งั้นเดี๋ยวเรี้ยกเอาอย่างอื่นต้อนอยางอื่นมาเลี้ยงเลยถ้ากล่าวตามตามธรมภีวินัยอ่ะนะวินัยเขามีอยู่ในข้อหนึ่งในมาหาคันตกะ ในอุทานะกถากล่าวถึงว่าคนผู้ไม่รู้จักโคเนี่ยนะก็ย่อมรักษาโคไม่ได้ชั้นใดพิสูจไม่รู้จกักศีลก็รักษาศีลไม่ได้ชั้นนั้นทีนี้ก็เราก็เอาเรื่องนั้นมาเรียนว่าถ้าไม่รู้จักโครักษาโคไม่ได้อาจจะเอาอย่างอื่นเนี่ยนะสักสีเทา้าเหมือนโคเลยเอาลูกตัวเล็กๆมานะไปเห็นสุนัขนันกว่าลูกโคเลยเอาต้อนเอานั้นมาเลี้ยงเลยแย่เลยนะเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยสำคัญมากจะต้องรู้จักตัวศีลก่อนอ น, นะแล้วก็จะได้รักษาศีลถูก อันเกี่ยวข้องกับผู้ใดแล้วเราสามารถเจริญด้วยศีลก็แสดงว่ากัลยาณมิตรแล้หรือว่าเจริญด้วยสุตะมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องขันธาตุอยายตนะสัจจะปฏิจจะเป็นต้นเหล่านี้เป็นอย่างดีนี่เรียกว่าเจริญด้วยสุตะคําว่าเจริญด้วยจาคะก็คือเป็นคนที่มักน้อยสันโดษนะวิเวกเป็นต้นมากขึ้นนี่เรียกว่าเจริญด้วยจาคะรู้จักเสียสละเนี่ยนะ แล้วก็ต่อไปก็มีปัญญาถ้าหากว่าปัญญาจริงๆเนี่ยนะก็บอกว่าอย่างถึงความเกิดและความดับอันเป็นอริยะอย่างถึงเหตุเกิดและความดับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเกี่ยวข้องกับผู้ใดแล้วเจริญด้วยคุณธรรมทั้งห้าอย่างเหล่านี้นั่นแหละเรียกว่ากัลยาณมิตรเข้าไปส่องเสพเพื่อเอาอุปนิสยยัยยากท่านอย่าลืมนะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าแม้บุคคลก็เป็น อุปนิสยปัจจัยบุคคลนี่เป็นปกตูปะนิสยปั จ, จัยที่สำคัญมากเนี่ยนะแม้ในคำพีปัจฐานเนี่ยยังกล่าวไว้เลยเพราะฉะนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับท่านเหล่านั้นแล้วเราได้อุปนิสัยเหล่านี้มาอันนั้นแหละเรียกว่าคุณธรรมเรียกว่ากัลยาณมิตรของเราแต่ถ้าไปเกี่ยวข้องแล้วนะคุณธรรมเหล่านี้ที่เคยมีหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยแสดงว่าโอ๊ยนาตรงกันข้ามนี่และ ถ้าเป็นบุคคลเหล่านั้นนี่พระองค์บอกเลยนะรู้กลางวันให้ไปกลางวันรู้กลางคืนให้ไปกลางคืนอย่าไปเกี่ยวข้องด้วยเด็ดขาดเลยเหมือนกันนะในวนปัสสูตรเนี่ยนะพระองค์ตรัสไว้อย่างนั้นเพมันก็ต้องสา ม, มารถแยกแยะได้อยู่เกี่ยวข้องกับใครแล้วเจริญขึ้นเสื่อมลงอย่างนี้นะถ้าแยกแยะอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยนะเราก็เจริญงอกงามในพระาศาสนาไม่ได้ขนาดพ่อค้าเขาค้าขายเขายังรู้เลยใช่ไหมกาไรเขาขาดทุนเขารู้เลยแล้วเราเจริญกุศลธรรมศึกษาพระธรรมคําสอนไม่รู้นี่แสดงว่าเต็มทีแล้วละ่ะนะ ล้วต้องแยกขยะให้ได้นะโคจระจริงๆเนี่ยแปลว่าที่เที่ยวโคเนี่ยวัวนะจะระแปลว่าเที่ยวโดยสั์ก็คือที่เที่ยวแต่ว่าการเที่ยวในที่นี้เนี่ยต้องสามอย่างเนี่ยโคจระนั้นอีกสับหนึ่งก็เป็นชื่อของอารมณ์เป็นชื่อของอารมณ์นั่นเองโคจระนี่ก็คืออารมณ์ไปเกี่ยวข้องกับท่านให้ท่านเป็นอารมณ์ให้เราแล้วเจริญงอกงามขึ้น ในเรื่องของอุปนิสยโคจรเนี่ยนะอุปนิสัยเนี่ยแสดงว่าคนในโลกนี้มีมากมายมหาศาลใช่ไหมในบรรดาบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะเราควรเอาอุปนิสัยมาจากใครมนุษยนั้นเป็นธรรมชาติที่ที่ไปสามารถรับอุปนิสัยจากใครก็ได้เนี่ยนะสภาพจิตของเราเนี่ยนะเกี่ยวข้องกับบุคคลใดเราก็จะกลคล้ายจะเป็นคนนั้นไปเนี่ยนะ นิสัยก็จะคล้ายกันขึ้นเรื่อยๆ เ, เ, เออแล้วในบรรดาคนที่เราควรเอาอุปนิสัยมาควรเป็นใครนะเพราะฉะนั้นควรนี่แหละเอาไตาสรณคมนั่นแหละควรที่จะเอาอุปนิสัยจากนั่นมา